คนส่วนใหญ่พอพูดถึงอาณาปานสติจะไปนึกถึงการจ้องลมหายใจจ้องเงาจ้องเงาแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยถ้าขึ้นต้นด้วยความอยากสงบเร็วๆตามด้วยการเห็นแต่ลมหายใจไม่เห็นความรู้สึกนึกคิดไม่เห็นสภาพความแปรไปของจิตที่ปรากฏอยู่ในแต่ละลมหายใจเข้าออกนั่นไม่นับเป็นอาณาปานสติ ที่พระพุทธเจ้าสอนนักภาวนาส่วนใหญ่ตะบีตะบันยึดลมหายใจไว้เหมือนจะแกล้งให้ตัวเองอึดอัดแล้วบอกตัวเองบอกคนอื่นว่าฝึกอานาปานาสติอยู่แต่ฝึกเท่าไหร่ก็ไม่สงบสักทีกระทั่งได้ข้อสรุปประมาณฉันคงไม่ถูกจริตกับอาณาปานาสติข้อเท็จริงคืออาณาปานาสตินั้น เป็นราวเกาะสำหรับมือใหม่เป็นเครื่องช่วยสังเกตความจริงในตนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในอิริยาบถใดก็ตามใครก็ตามที่สามารถรู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ถูกจริตกับอาณาปานาสติได้ทั้งนั้นอาณาปานาสติคือการมีลมหายใจเป็นศูนย์กลางการสังเกตความจริงในตน ไม่ใช่การแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เฝ้าลมหายใจไม่ใช่ศูนย์กลางการแช่แข็งจิตในการเจริญอานาปานสติสิ่งสำคัญกว่ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกคือรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละลมเข้าลมออกที่ลมนี้เกรงแน่นเป็นกุญเหล็กก็ยอมรับไปที่ลมนี้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 อาจใช่ว่าท่านให้เอาแต่ดียึดแต่สงบเป็นเรือนตายถ้าเริ่มเจริญอาณาปานาสติด้วยความเข้าใจถูกต้องแต่ต้นก็จะรู้เห็นความจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก้าวหนาขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ายังแค่เข้าใจว่าอาณาปานาสติคือการยึดลมเหนียวแน่นเอาเป็นเอาตายเพื่อกดจิตให้แน่นิ่งท่าเดียวสุดท้ายก็ได้แต่เป็น อุนยนต์อาณาปานาสติไม่เคยได้เป็นนักเจริญอานาปานาสติกับเขาเลย